ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักสำหรับวันนี้มาพบกันในเรื่องว่าโพ ธ, ธิทธัศต่อไปเป็นนั้นว่าในวันก่อนท่านโพคะได้จับพรหมีสตร์ลงโทษโดยหาจับขาแล้วก็ดึงขึ้นดึงลงในน้ำทรมาน ในที่สุดพระรามก็หานโยบายตานนี้กล่าวมันแล้วจะไม่ให้ท่านพราหมณเนส่ายค่าเป็นนั้นว่าในที่สุดท่านสุโภค่ะก็พรามพาพระมเนสัดมาทิ้สนามคบวุริทัน์ในหน้าควีพบวันนี้ก็ขอต่อเลยนะ <c oughs> เป็นนั้นว่าเวลานั้นทาริธาเน่งเฝ้าประตูอยู่เห็นท่านสุโภค่ะจับพราหมณเนสาสั์ มาในลักษณะที่เป็นการธรมานช่นนั้นยังได้เรียบสวนรีบสวนทางออกไปดูเป็นหมเท่าออนี้ท่านดูเะียสวนทางออกไปแล้วก็บอกว่าพี่สุโคะอย่าธรนมนัมาธรมานพรามนั้นเลยเ พ, พราะพรามนี้เป็นบุตรของพระพรหมแม่ข้นั้น เวลานั้นเขานิยมวันว่าพรามเนี่ยเป็นบทของพระพรหมแต่ว่าพระพรหมเนี่ยท่านทรงพรหมวิหารสี่คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าดิสียาใครพราะยินดีไม่บุคคลอื่นได้ดีนะก็เมขาใครจะว่าอะไรก็ตามท่านก็เฉยทำจิตสบาย ไม่โต้ไม่ตอบไม่ทําการะนองตอบในกรณีที่เร็วสามคือหมายความใคยันินทายเช่นกเฉยท่านอย่ชมเช่นก็เฉยนี่ลักษณะของพรหมหมายว่าคนที่จะเป็นพรหมได้เนี่ยต้องทรงคุณธรรมความดีอย่างนี้เป็นปกติที่เรียกคำว่าเป็นฌานก็คือทรงอารมณ์เป็นปกติในเมื่อเวลาที่ท่านขึ้นไปเป็นพรหมแล้ว คุณธรรมอย่างนี้ก็ไปจําใจของท่านตอนนี้คนสมัยนั้นก็ถือว่าพราหมณนี่เป็นลูกของพรหมถ้าพรามณเป็นลูกของพรหมจริงๆแล้วก็พราหมณ์ก็ไม่เลวอย่างนี้ที่พราหมณในศาสตร์หรือพรามนั้งหลายที่มีความชั่วยังโกหกหมดเท็ดยังมีความโลภอะไรอะไรพวกนี้ผู้คนพวกนี้ไม่เช่พราหมณ์ ไม่ใช่ลูกของพรหมแล้วก็เป็นพรามปลอมชื่อว่าพรามแปลว่าลูกของพรหมท่านี่การเข้าใจผีของคนสมัยนั้นมีอยู่ก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้วันนี้ก็พูดกันต่อไปว่าท่านเตือนว่าสุพีสุโขคิยาธรมานพรามนั้นพบพรามนี้เป็นลูกของเป็นบุตรของพระพรหมถ้าพระพรหมรู้ข้าวพระพรหมจะโกรธ ถ้าทําความไม่น่านให้แก่พี่พ่อของเราด้วยความจริงพระพรหมเข้าไปยิงอีกนะจะว่ากันไปแล้วพระพรหมจะไม่โกรธจะโกรธนัไ่ไงพระพรหมมีแต่ความรักพระพรหมมีแต่ความสงสารพระพรหมพระพรหมม่แต่จิตอ่อนโยนไม่ช้าได้เสียไขย่ยินดีความดีของตนเมื่อกดของกรรมความชั่วอย่างพรามนี้ทําขึ้นถูกลงโทษพระพรหมก็จะมีเวขาวางเฉย แต่นี้เป็นเช่นนั้นเป็นความเข้าใจของท่านอาทิตาเมื่อท่านอาทิตากราอย่างนี้แล้วจึงได้เรียกเรนนาให้นาคบริสัทบรรดาพญานาคทั้งหมดมาไปชุมกันแล้วกล่าวชี้แจงตามวิสัยของตนให้กล่าวว่าสิ่งมีในว่าทานอาทิตานี้ใช่ก่อนเกิดเป็นพร้อมเกิดเป็นพ ร, ราหมณ์ อ๋อท่านเกิดเป็นพระมาแลวท่านบูชายัญเคยสมาคมอยู่ในรัฐิของพรหม์จึงมีสันดานแน่นแฟ้นในการบูชายันเห็นไหมนี่บรรดาลูกหลานที่รักคนเราที่เกิดมานี่มีอธัธยาศัยต่างกันก็เพราะชาติอดีตเคยทำอะไรมาจิตใจพอใจอะไรมม่จะติดอยู่ในนัในรัฐธินั้ น, น, น ความว่าอดีตของชาติก็เหมือนความว่าอดีตของมาืวานวานัวันสืบนับเดินก่อนมันดีก่อนของเราตนเองคนกินเหล้าก็อยากจะกินเหล้าคนถูกยากฟินก็อยากจะกินยาฟินคนเรียบร้อยก็อยากจะทำความเรียบร้อยมันเป็นอุปนิสัยติดใจของตัวมาเพราะแปลกดูว่าเมื่อทานะา่านิทธาเนี่ยถานทศพโหข้าวหวา พี่สุขโขค่ะรู้ไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างแม่ในพญา น, น้าคเขาถามกันนะท่านสุขโขค่ะก็ตอบว่าฉันจะไปรู้ได้ยังไงเน่ะใครเขาสร้างโลกไอคนที่มันสร้างโลกอตัวมันโตเท่าไหนถ้าทําไมมัจะสร้างโลกได้ท่านอริ tha ก็บอกว่าพรหมโลกนี้พรหมเป็นผู้สร้างโลกพรหมเปนผู้มีฤทธิ์นะ ผู้มีนิ่ทั้งหลายเช่นเท้าวารุณท้ากูเวนท้าสมัมนเท้าสมพิยายมพระจันทร์พระพ า, ายพระอาทิตย์เท้าอรชชนนะและก็ท่านท่นทานเท้าอราชชนและพีมาเสนเหล่านี้รุนแล้วแต่เป็นผู้บูชา ย, ยันมาแล้วทางนั้น จึงมีฤทธิ์รุ่งเรืองมากการบูชา ย, ยัญของบุคคลของบุคคลสำคัญในครัง้งก่อนได้สร้างโลกนี้ประกอบไปด้วยแม่น้ำมหาสมุทรและภูเขาโอ้โหอันนี้เป็นความหลงผิดในลูกหลานที่รักอย่าลึกอย่านึกนะว่าอาริธาเนะี่ยท่านจะไป็ผู้วิเศษอริธาท่านเาล่าเล่านิยายประกอบคำพูดกังท่านต่อไปว่าน่ดีแต่การ มีพระราชาอหนึ่งนามมีพระ น, นา ม, ว, าลลมานะาว่าอังคโลมบัตเนะอ่านง่ายๆเลยว่าอังคโลมบาดได้บูชาพราหมณ์ได้บูชาพราหมณ์และบูชาไฟแล้วก็ได้นมสดจากแ ม, ม่โคนมจำนวนมากมายนมสดที่เหลือจากพราหมณ์กิน ก็เทไว้นะ่ะก็เทไปเทไปเทไปจนกระทั่งกลายเป็นแม่น้ําคงคาอันนี้โกหกกันชัดๆมันใหญ่โตมากแต่ประเด็นเป็นเรื่องในใหญ่ยยของท่านนะหลังจากนั้นมาก็เลี้ยงพลน้าเมืองในโลกในปัจจุบันนี้ไอ้นมสดที่เทไปเปไ็นไหลเป็นแม่น้ําไม่จบหมดเลี้ยงบรรดาประชาชนในโลกทั้งหมดส่วนน้ํานม ที่ไม่ไหลไปยังขังอยู่แล้วก็กลายเป็นมหาสมุทรทันกว้างใหญ่ที่เห็นทุกวันนี้นี่เป็นนิยายของท่านพระเจ้าพาราลสีได้จัดสร้างอาสนะก่อนด อ, อิดแต่ไหวแก่พรามผู้ชาญและเนืน่อานุภาพของพรามอาสนะเหล่านั้นก็กลายมาเป็นภูเขา ปรากฏอยู่ในโลกนี้โอ้โหเห็นจะสร้างอ่ะเยอะแยะเช่นะเกะกะไปหมดแม้แต่ในเมืองไทยก็บูเขานับไม่ถ้วนอยู่แล้วนี่เช่นภูเขามาลาคิลีบูเขาที่มาพ่านบูเขาพิเชกูดเป็นต้นนี่ธานิษฐาทำไมยอย่างนั้นทานาทนิษฐาจึงได้ามท่านสุภูเขา ว, ว่าพี่รู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุไรน้ำในมหาสมุทรจิงเข็มดื่มไม่ได้ ท่นสุโขค่ะก็บอกว่านี่ฉันจะงไมรู้เลยก็มันอยากจะเค็มมันก็เค็มมาดิมันมีท่าเกลืออยู่ด้วยมันก็เค็มฉันไม่รู้นี่ทำไมไม่มีเค็มถ้าฤทธาก็บอกว่าพี่สุโขคะมีพรามไปอาบน้ำที่ฝั่งสมุทรแล้วก็น้ำในสมุทรได้สัตวท่วมเอาพรามนั้นไปกินเสียนะนี่ย น้ำเนี่ยนะสัตว์อัพรามลอยไปเอาไปกินกันไหมว่ามันจมน้ำตาเยเองพระพรหมรูรม้รเข้าก็โกรธข่าวหาว่าทะเลฆ่าพรามผู้เป็นลูกของเราจึงสาปให้น้ำมันเข็มขอโทษนี่เป็นความเห็นของพญานาคตนหนึ่งเท่านั้นนะไม่ใช่พญานาคทั้งหมด น, นริธาเดกาสูว่วาด้วยอนุภาพแห่งพราม ผู้ทําการบูชายันจึงทําให้โลกนี้ประกอบไปด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์แม่น้าํามหาสมุทรและพวกเขาตั้งที่กล่าววันนี้เหตุนั้นจะได้กล่าวได้ว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกนี่ก็บอกพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกสร้างว่าทำไมให้ไม่เกิดการพระเจ้า แต่ไปอนวุวาพยาน่าบริษัทได้ฟัฟนั้นต่างคนต่างก็หลงผิดเชื่อ ว, ว่าเป็นความจริงแล้วผู้ใหญ่พูดเนี่ยไม่มันก็ต้องจริงนะไปคิดว่าไม่จริงก็เป็นการเถียงผู้ใหญ่เพราะต่างคนต่างก็ไม่รู้ความจริงฝ่ายพระโพธิทัตนอนเป็นไข่อยู่ในห้อง ในยิงคําของท่านอริธะตลอดที่ในคิดว่าอริธาสาคัญผิดเสชลแล้วเออ ล, ลูกหลานฟังกันต่อไปนี่พระบริษัท <c oughs> ท่านว่าท่านว่าท่านบริทัท เ, เป็นบริษัทที่นดนคิดว่าอริธานนี่สําคัญผิดเชลแล้วและทําให้บริษัทคําว่าบริษัทหมายพวกพ้องพี่น้องวงวนัน เอาพันบริวารทั้งหมดในบริษัทหลงผิดไปด้วยเราจะต้องล้างคำขอริธฐาทำความหินของบริษัทให้ถูกต้องเสียใหม่เจริงเลยลุกขึ้นอาบน้ำชำระร่างกายแต่งตัวขึ้นนั่งบนที่แสดงธรรมแล้วก็ให้นากบริษัทมาไปชุมกันและชี้แจงข้อที่จริงต่อไปจำเหมือนต่อไปนี้นะ แต่าวแท่นกล่าวว่าพรหมไม่ใช่เป็นผู้สร้างโลกนะพรหมก็ไม่ใช่เป็นต้นตระกูลของพราหมณ์เป็นแต่เพียงสิ่งที่พวกพราหมณ์อ้างขึ้นเท่านั้นสมมติว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกจริงทําไมไม่จัดโลกทั้งหมดให้ดีแล้วก็ทําไมไม่ทําให้โลกทั้งหมดให้มีความสุข ทำไมจึงจัดให้โลกโดยทำไมจึงจัดโลกโดยไม่เป็นธรรมคือไม่มีความสุขไม่สม่ำเสมอกันแ ก, แกล่งกันตีกันก็โกงกันเป็นต้นทำไมจึงแบ่งคนเป็นชั้นเป็นวรรณะมีฐานะไม่เสมอกันเป็นพราามบ้างเป็นกษัตรบ้างเป็นแพทย์บ้างเป็นโสดบ้าง คำว่าเป็นพราหมณ์ก็หมายความว่าคนที่ส่งศีลส่งธรรมแต่พรามณ์จังไรนี่ไม่ใช่มันเป็นเปรตแล้วก็เป็นสัตว์นี่ดูหลังรู้จักแล้วเป็นแพทย์มายรียกคนชั้นดีคำว่าสูตรนี่หมายถึงคนชั้นทาสนีดีเขาเรียกแขกการิงพวกสูตรนี่พวกพราม์พวกเมอพวกแขกต่างๆเข้ารังเกียดดีไม่ดีเพราะเดินไปนี่ ออย่างพวกพราหมณ์พวกกษัตริย์พวกแพทย์นี่ถ้าว่าสูตรเดินไปเขาก็เดินเดินไปด้านเหนือเงาใบถูกเขาหน่อยเดียวไอ้เจ้าพวกสามพวกเนี่ยถือว่าจังไรกินกลับไปบ้านอาบน้ำเอาทาซักผ้าหมดเนี่ยมันเร็วขนาดนั้นนะคนนี้เขาเขาถือกันหนักถือไม่ถูกไม่ต่องนีแล้วถ้ า, ถาพระพรหมสร้างโลกไว้จริง ก, กษัตริย์ก็คงจะต้องเป็น ก, กษัตริย์เสมอแต่คนที่ไม่ใช่ ก, กษัตริย์จะไม่มีโอกาสได้ราชสมบัติเลยรามก็คงจะต้องเป็นพูกเดียวกันเท่านั้นที่มีโอกาสศึกษาพระเวท <c oughs> คนที่ไม่ใช่พราม์ก็ไม่มีโอกาสศึกษาเลย พู้แพร่ก็คงจะเป็นพวกเดียวเท่านั้นที่จะต้องทําการค้าขายไถ่ไล่แ ท, ทนาประกอบอาชีพในการหากินแล้วพวกอื่นๆไม่มีโอกาสเลยแล้วผูกสูตรก็จะไม่มีโอกาสที่จะที่จะเป็นได้อย่างอื่นได้อย่างนี้นับว่าพระพรหมไม่มีความเป็นธรรมแต่ความจริงที่ปรากฏในโลกทุกวันนี้ให้ฟังดีนในลูกรักนะลูกหลานที่รัก ฟังวาทของคนโบ ร, ราณที่ท่านถือว่าคลึคือกันมีบางคนโบ ร, ราณคือคนที่ยัดีหรือแย่ชั่วยอยู่ที่การกระทําของตนเองคนเราจะบริสุทธิ์หรือว่าสมองก็เพราะว่าตนเองวิ็นผู้ทําขึ้นชีวิตของคนย่อมผลผันแปรไปตามผลของกรรมคือการกระทําที่ตนเองกระทาเองทั้งสิน้น เพราะคนไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ลาบนอนเฉยเฉยไม่เอาอะไรมากินไงละ่ะเพราะว่าคนที่ไม่ทําอะไรเลยไม่มีโอกาสที่จะได้หลาบจะได้เกียรติยศได้วความไมาตรีคือความรักและความสุขพื้นนอนเฉยเฉยใครเขาจะรักใครก็จะเห็นหลาบใครจะเกียรติยศจะความสุขมาจากไหนแต่คนที่มีความขยันก็หาทรัพย์ได้ หาทราบได้ไหมคนที่มีความขยันเนี่ยต้องมีก็ต้องมีมกินมีใช้อยู่เป็นปกติมีทรัพย์ใช้คนที่ทำความดีก็มีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่รักของผู้คนอื่นคนที่สร้างไมตรีจิตย่อมมีความไมตรีกับคนทั่วไปหมายว่าคนที่มีความเมตตาปราณีมีความรักมีความรู้สายคนทั้งหลาย สงเคาะ์ึ้นกันอะไรกันซึ่งกันอะไรกันชื่อเสียงฟุ้งกระจายไปในด้านของความดีเป็นที่รักของคนทั่วไปแล้วก็คนที่มีความเฉลี่ยคือทํากุศลแต่ประสบความสุขมีแต่ความสุขสงบใช่ท่านบอกว่าและคนที่ทํากุศลก็ประสบแต่ความสุขสงบพระพรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้น พระพรหมไม่ใช่ผู้สร้างโลกแต่เป็นที่เชื่อของพวกพราหมณ์อ้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองถ้าอยให้พระพรหมเป็นผู้สร้างก็จะเป็นผู้สร้างที่ไม่มีความเป็นธรรมไม่ควรการคารวบบูชานี่หมายความถ้าพรหมเป็นผู้สร้างโลกเองเนี่ยเพราว่าสร้างแบบไม่ดีไม่ดีแบบ น, นี้พระพรหมองค์นั้นก็ไม่ควรจะคารวบนับถี สร้างแบบอย่างหาความเป็นธรรมไม่ได้อายุที่ทำไม่มีความเป็นธรรมสร้างให้คนไม่เสมอกันมีฐานะไม่เสมอกันมีเกียรติไม่เสมอกันมีความประพฤติไม่เสมอกันอย่างนี้คำว่าพรมเป็นผู้บัตเสดขณะผู้สร้างก็เป็นผู้ไม่บรตเสดเป็นคนเลวเท่านั้นทางา น, นต่อไป <c oughs> ท่านกล่าวว่าหนึ่งการบูชาไฟ ก็คือการที่เอาสิ่งที่มีชีวิตหรือของมีค่าเอามาเผาเพื่อเป็นการบําเรอด้วยการปนเปือไฟไม่ใช่การปฏิบัติชอบในเหตุผลเพราะไฟไม่มีความรู้สึกผีดชอบชั่วดีอะไรย่อมเผาพรานทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่รู้ว่าสิ่งใดดีหรือว่าสิ่งใดชั่วแล้วสิ่งใดมีค่าหรือไร้ค่า ถ้าการบูชาไฟมีบุญกุศลจริงคนเผาป่าหรือว่าเผาถ่านหรือว่าเผาศพหรือว่าเผาบ้านเผาเมืองก็เป็นคนทําบุญทางนั้นสิเอาสิไปละแล้วก็คนพวกพราหมณ์ก็คงจะเผาตนเองได้เย้ยเพื่อจะเอาบุญเออมันทั้งแก่สวยนี่ถ้าอย่าบุญจริงๆก็เผาตัวเองทิ้งไปเลยถ้าบูชาไฟมันเป็นบุญทำ ไ, ไมอย่างนั้นนะ นั่นแว่าโดยที่ไม่ได้ต้องไม่พูกพรามเนี่ยแต่เห็นว่าการบูชาฝ่า ย, ยเบญบุญก็เผาตัวเองถ้าบุญมันจะได้มากโดยที่ไม่ต้องเช่าชวนคนอื่นไปช่วยกันเผาแต่พรามไม่ยอมเผาตัวเองเพราะว่าเพราะอะไรพวกของตัวเองถ้าว่าพรามไม่ยอมเผาตัวเองด้วยไม่ยอมเผาพวกของตัวเองด้วย แล้วก็ไม่ยอมเผาบ้านเผาเมืองเขาตัวเองด้วยได้แต่เช่าชวนพวกอื่นฝ่ายเดียวเช่กชนวนคนอื่นเขาไปเผาบ้านเผาเมืองคนอื่นเผาตัวของเขาฝ่ายเดียวซึ่งเช่าชวนได้แต่คนโงโ้คนมีปัญญาหาชื่อหาเชื่อคําที่อ้างที่หลอกลวงของพระห ม, ม่ถ้าการบูชาฝ่ายจะได้ผล เป็นทรัพย์สมบัติแล้วแก้วแหวนเงินทองในโลกหน้าจริงถ้าบอกว่าถ้าการบูชาไฟจะได้ผลเป็นทรัพย์สมบัติคือได้แก้วในแหวนด้เงินในทองในโลกหน้าจริงพวกพราหมณ์ก็คงจะไม่ชักชวนให้คนอื่นมามีส่วนในทรัพย์สมบัติที่จะได้นั้นเปนแน่แน่เวลา ว่าการโิชาไฟจะทําให้ตัวดีตัวเปรอะตัววิเศษพวกนั้นก็ควรจะปิดบางฉันทําคนเดียวเถิดจันเผาไฟเองเผาบ้านก็ไม่ดีเผาเมืองก็ไม่ดีเผาไทยเผาตัวเองมันในทรัพย์ ส, บสมบัติมากทำไมอย่างนั้นถ้ามันไดไ้ได้สมบัติจริงจะไปชวนทําทไมแล้ไฟจะสร้างสรรค์อะไรได้จึงจะเพียงพอแก่ความโลภของพราม หมายว่าคนที่ยังมีความโลภอย่างนียมันเท่าไรเท่าไรมันก็ยังไม่พอหลวงปู่ยัทีบายไปเวลามันไม่พอนะเมื่อท่านปุริทัตสแสดงจบหน้ากบิสัตทั้งปวงก็พากันชื่นชมสมานัดในธรรมกถาของพระปูริทัตขันแล้วก็รับสั่งให้นำพรามในสัตว์ไปสินหน้ากับฏพบ ไม่ทำโทษกับพระนิสสัตย์อย่างใดแม้น่าเสนยดายนะตอนนี้เป็นอนุว่าพระโพธิทัศน์นีท่านเป็นพระโพิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราให้อภัยกับพระนิสสัตย์ไปแล้วนะนี่พระนณสสั์ก็คือเทวทัตตอนนี้ที่กล่าวว่าขอย้อยกล่าวมาถึงพระเจ้าพารานสีได้นัดหมายไว้ว่าจะไปเยี่ยมพระราชบิดา พอถึงเวลากำหนดนัดเจียงได้เสด็จไปเฝ้าพระราลินดาพร้อมด้วยเจ้าตรงกษนะส่วนั้านภูรีทักษ์ก็ได้ให้ตีกลอ ง, ลองร่ำประกาศว่าเราจะไปเยี่ยมสมเด็จพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาของเราแล้วก็เสด็จขึ้นจากสังแม่น้ำยุวนาบมุ่งหน้าไปยังสมสถาน น, น, น, น, นั้นที่น้อหนอด้วกับพระเจ้านก ทุนนีคือพ่อแม่ก็เสด็จตามไปเบื้องหลังในขณะนั้นพระเจ้าพารานสีได้ทอด เ, น, เ น, นีเิ็นท่านผูดิทั์ออกมาพร้อมด้วยบริสัตเป็นอันมากเช่นนั้นก็ทรงจำไม่ได้ทูลถามพระราชวิดาว่าท่านผู้นี้เป็นใครผู้ที่มาเหล่านั้นท่าน ร, ราชวิดานเะจริการได้ตรัสว่า ผู้ที่มาเหล่านั้นเป็นนา้าภู้มีฤทธิ์ท้วาวเจ้าพระรามสีถามว่าเป็นลูกแห่ง ท, าท้าวทศรสกับนาสมุทัยชานะล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีฤทธิ์ทางนั้นท่านบอกท่านบอกอย่างนั้นนะท่านฤาษีผู้เป็นพ่อบอกนะเมื่ อ, บบอกี้ว่บอกว่าปู่บอกผิดไปท่านบอกผู้ที่มาเหล่านั้ น, ล, นล้วนน่าเป็นนา้าภูมิมีฤทธิ์และเป็นลูก ท, าท้าวทศรสและนาสมุทัชา น้องสาวของเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ทั้งหมดเมื่อขบวนหนะ้าบริษัทมาถึงก็ถวายความเคารพแทบเท้าพระบ่ายของท่านฤาษีผู้เป็นราชาสุนทรสมุทัยชาก็เข้าปถวายบังคมพระบาทพระบายของพระราชบิดาแล้วไม่เครียดานแล้วก็ทรงร้องไห้ไปเทวนาการทรงกันแสงก็ร้องไห้เป็นธรรมดา เคล่นถึงเวลาสงควรก็ถวายถ้าบั ง, บงคมลาพระราชินดากลับยันนาก บ, บิภพตอนนี้ถ้ายานเขาคุยกันก็คงจะคุยไม่ไหวนะลูกหลานที่รักเพราะเวลามันจะหมดฝ่ายพระเจ้าพาราณสีประทับอยู่ที่นั้นสองสามวันยังได้ถวายบางังคาบมคมลากลับเนคคอพันาสมุติชาเทวีก็สิ้นชีพในนากริภพนั้นหมายความว่าอยู่ในที่นั้นจนตาย ฝ่ายพระโพธิสัตทรงศีลอยู่ตลอดชีวิตคําว่าพระโพิสัตก็หมายถึงว่าพระโพธิทัตทรงศีลอยู่ตลอดชีวิตขึ้นสิ้นชีพเมื่อสิ้นไปชนมนุษย์ก็ไปเกิดในสถานในสวรรค์พร้อมเป็นหน้ากบริษัตวหมายว่าพ้นจากหน้าปะสวรรค์เรื่องนี้ก็เป็นอันว่าหน้าโกรจะจบกันจบกันดีหรือไม่ดีลูกหลานที่รัก เป็นอนุวาดหลังจากนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเทศเรื่องนี้จบสมเด็จพระราศพคือสมเด็จพระสมัมมาสัม พ, พุทธเจ้าจึงได้แต่งกรรมาพิสุทธิ์ทั้งหลายว่าพิคเวดูก่อนพิสุทธิั้งหลายขึ้นเชื่อว่ากฎของกรรมคือความดีและความชั่วย่อมให้ผลกับตัวบคุคคลหมายความว่าคนแต่และคนเนี่ยถ้าเราทําความดีพ้นดีมันก็ตอบสนอง อย่างสมัยนั้นเราเป็นภูริทัศน์เราสร้างความดีอยู่ในโวสตศีนเราตายแล้วเราก็ไป ส, สวรรค์แต่ว่ากรรมในสมัยนั้นที่ถูกระทำไม่ใช่ความความไม่ใช่ความชั่วของเราแต่เป็นความชั่วของวัฏวทฏฐัต ท, ที่จองร่างจองผังและมาได้มาในทั้งแต่ในนั้นที่ว่าจองร่างจองผานมานานนานและนานนักหนาอนเนกชาติ แล้วสมเด็จพระบรมาโลกกันน้อยก็ทรงจัดเล่าเรื่องราวที่พระเทวทัตจองล้างจองผลาญเวลานี้ก็คุยไม่ได้นะมั้งว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าสุจริตเทวทัตเป็นพ่อค้าทุจริตเป็นเพื่องกันมีหญิงท่านหนึ่งมีถาดทองคําเป็นตระกูลเขาท่านเป็นมหาเศรษฐีมีถาดทองคําจริงๆ เป็นพ่อค้าเทวทัตเวตากูลท่านใหญ่จุดลงไปจะขายถาดทองคําพ่อค้าเทวทัตโกงก็เลยบอกว่านี่มันถัดปลอมในยายนะถาดปลอมเขาไม่ใช้กันยายแกก็ไม่เชื่อเนี่ยไม่มยายแกไม่เชื่อแล้วก็ทํายัางไงแกไม่ขายให้เพราะรุ่งขึ้นว่าเขาได้เจ้าไปเป็นพ่อค้าดีไปเห็นเป็นถัดทองคําจริงๆให้ตามราคา ถ้ายตาบข่าวันลุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งต่อมาปรากฏว่าเทวทัตมาถามยายยายบอกขายไปแล้วจ้ะตาบขคาราคาทองคำแท่ถามว่าใครเป็นคนขายเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเอาไปตอนนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้านะเป็นเพื่อนกันแกเจรหน้าพ่อค่าที่เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าเป็นความจริงไหมพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจรงิงแกเลยจองล้างจองถานหามหักหน้าแก ก็ทายมาหนึ่งกำมือกระบอกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะจองล้างจองผานเจ้าไปทุกชาติเท่ากัเม็ดทรายในกำมือนี้นี่เป็นความละยดอ่อนอรีของพระเทวทัตระบรรดาลูกหลานบทพุทธมาลูกหลานระบรรดาท่านพุทธบริษัทต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศอริยสัจสี่ว่าพิกวีดูก่อนพิสุทธิ์ทันไร จงเห็นว่าชาติพุทธค้าความเกิดเป็นทุกข์เชลราวิทุค้าความแก่เป็นทุกข์และนำวิทุกขังความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะมีความสุขได้ก็เพราะอาศัยความทุกข์ที่มันเกิดเพาะันตาศัยตันหาคือความอยากอย่างพรามเนสัตจงตัดตันหาใช่ได้หน้าสินสมาธิปัญญาขาพเจ้าย่อในเวลาไม่พอแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็าสมประชุมชานดก ว่านางสมุทัยชาในสมัยนั้นในชาตินี้มาเกิดเป็นพันนาสิริมหามายาราชเทวีพระราชธนีถ้าท่านสุทัศน์ในเวลานั้นก็มาเกิดเป็นภาษานีหมดพราหมเนศศัตร์มาเกิดเป็นพระเทวทัตท่านโสมทัศน์ลูกชายของพราหมเนศศัตร์มาเกิดเป็นพระอนุนถ้าท่านอาจจะมุกขีน้องสาวก็มาเกิดเป็นพันนา เป็นท่านอุบนว น, นาเทรีท่านสุภูฆ้ากุมารคนดุในสมัยนั้นก็มาเกิดเป็นพระมหาวคลานะสมัยนี้ท า, าริษะก็นุชาก็มาเกิดเป็นท่านสุนิษฐอท่านสุนิพัฒ ท, ท่านสุนินิพคชริชวีนะ่ะมาเกิดเป็นพระเจ้าริชวีนะ่ะเนี่ยเคเป็นคณะของพระราชาในเมืองริชวีองค์หนึ่ง ชื่อว่าสุนิพัทธะและก็ท่านภูริทัตในสมัยนั่นก็มาเกิดเป็นตถาคตเป็นอันว่าบรรดาลูกหลานที่รักเรื่องพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ในสมัยทรงรชาติเป็นพระภูริทัตสำหรับวันนี้ก็ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีกระท่ัเจนาที่สถานีวิทยุมีจิตเมตตาทุกคนและจงมีแดบันดาอาจานพุทธศาสนิกชนนรูหลงมทินรูหลามที่รักทุกท่านสวัสดี